มีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่พ <c oughs> วกเราชาวพุทธคุ้นเคยกันดีเป็นตอนหนึ่งจากมงคลสูตรที่พุทธเจ้าตรัสว่าการพบกันดิในการบูชาบุคลบคลควรบูชาข้อ น, นี้เป็นมงคลอันสูงสุด <c oughs> ที่เป็นชนนี้เพราะราะว่าเมื่อเราได้พบกันดิ <c oughs> เราก็จะได้เรียนรู้คุณงามความดีของท่าน และการที่ได้สนทนากับท่านย่อมทำให้เกิดสติปัญญาขณะเดีกันการที่เราได้มีโอกาสยกย่องสรรเสริญท่านเนี่ยมันย่อมทำให้จิตใจเราเป็นกุศลเกิดปิติปราโมทและเกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้ความดี มีพลังในการทำความดีมากยิ่ขึ้นการที่เราจะยกย่องคนดีคนที่ควรบูชาได้เนี่ยเราก็ย่อมจะต้องรู้จักพื้นเคยเรียนรู้ชีวิตและคุณงามความดีของท่านสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยทำให้เกิดแบบอย่างในการดาเนินชีวิตพระธมมาเชื่อว่าเชื่อเลยว่าในบรรดาบัณฑิตและ คนที่ควรบูชาทั้งหลายที่มีอยู่มากมายในโลกนี้พระจาปัวอุ้งภกรเป็นท่านหนึ่งนะที่เราสามารถจะยกย่องนับถือและถือว่าเป็นคนที่ควรบูชาและเป็นปฏิปการแท้จริงหลายท่านในที่นี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ สัทนาวิสาสะกับท่านแตงป่วยแต่การคบบณนิตนั้นเนี่ยก็ไม่จำก็นว่าจะต้องหมายถึงการสนทนาพูดคุยหรือวิสาสะอย่างเดียวการที่ได้เรียนรู้ชีวิตและคุณงามความดีของท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคบณบนิตได้เหมือนกันเป็นการ พาตัวเราเนี่ยพาใจเราให้เข้าถึงแก่นแท้นะของอความเป็นบัณิพูุนนั้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นหลังน่าจะไม่ได้เหงือการพบปะสนทนานกับอาจารย์ปวยอย่างคนรุ่นก่อนหลายหลายท่านแต่การยิน ไ, ได้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาชีวิตและงานของท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลได้เหมือนกัน เพราะเป็นการครบปฏิบติไม่ใช่พบด้วยการกไม่ใช่คบด้ว ย, ร, วยร่างกายแต่คบด้วยจิตใจโดยการที่ทำให้ความคิ ด, ดจิตใจของเราเนี่ยได้เข้าถึงแก่นแท้นะของความเป็นปฏิติของท่านผู้นั้นซึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ป่วย เวลาพูดถึงอาจารย์ป่วยเนี่ยหลายคนก็จะพูดถึงท่านในฐานะที่เป็นขรร้าราชการที่มีความซื่อสัตย์จริงและมีความรู้ความสามารถในชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านในทางนี้นะก็นับว่าเด่นชัดมากและกระทั่งเมื่อบุญิีิรามันมัสไๆได้มอบรางวัลอสงเกตกับท่านเมื่อปีสมงัรอยแก็ได้พูดถึงท่าน ว่าเป็นข้าราชการไทยที่เป็นที่ยกย่องเคารพนับถือมากที่สุดเพราะเหตุที่ว่าท่านมีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งกับเศษฐไทยและขณะ ก, กันก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าอาจารย์ป่วยเป็นเพียงแค่ข้าราชการ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีสติปัญญาความสามารถท่านก็คงเป็นแบบอย่างได้อย่างดีเฉพาะกับผู้ที่เป็นข้าราชการหรือผู้ที่ตั้งใจเป็นเทคโนโลยีนะอย่างที่หลายคนได้มองท่านอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยท่านมีความหมายมากกว่านั้นความเป็นจางป่วยเนี่ยเป็นมากกว่า การเป็นข้าราชการที่ส่อสัตว์และมีความรู้ความสามารถการได้ว่าท่านเป็นผู้ที่แสดงหรือเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตตามกฎตรงนี้ต่งางๆที่มีความหมายสำหรับเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะจะเป็น ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเทคโนฑแคกเท่านั้นการเป็นแบบอย่างของผู้ที่ดำเนินชีวิตตามโลกักคติไม่ใช่มีแค่ความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นแต่มีคุณธทางที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทำให้ท่านมีความหมายกับคนรุ่นหลังด้วยมีความหมายกับเยาวชนมีความหมายกับทุกคนที่ ปรารถนาที่จะดำรงความเป็นมนุษย์ของตนหรือเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่ดีงามจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้ก็ได้อะไรคือแก่นแท้ของอาจารย์ป่วยที่มีความหมายต่อยุคสมัยของเราที่มีความหมายต่อคนทุกรุ่นทุกอาชีพทุกเพศทวัย ในขั้นสร้าง ม, มาเนี่ยแก่นแท้ของอาจารย์ป่วยประการก็คือความรักสักจจ์รักความจริงความรักสักจจ์อย่างเต็มเปี่ยมได้ทําให้อาจารย์ปุ๋ยเป็นผู้ที่ฝ่ายสวงหาความจริงฝ่ายสวงหาความรู้ซึ่งทําให้ท่านเนี่ยมีสติปัญญาเป็ที่เป็นที่ยุกย่อง ตฤปัญญาดังกล่าวเกิดจากความใฝ่รู้ต้องการที่จะเข้าถึงความจริงให้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ตัวจะทําได้และเพราะความรักสักจจ์ฝ่ายรู้รักความจริงก็ทําให้ท่านพยายามที่จะทําการต่างๆเพื่อสติด้วยปัญญาท่านเป็นผู้หนึ่งที่เป็นแบบจำลองการที่ใช้ความรู้แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือไม่ได้ใช้อกติหรือแม้แต่อุดมการณ์ใดเมื่อจะทําการสิ่งใดท่านก็จะ ต, ต้องทําความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นและเพระเหตุนี้ท่านจึงให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษามากท่านเคยบอกว่าในช่วงปลายชีวิตของท่านเนี่ยท่านมีความเที่ยาศอย่างหนึง่งท่านเคยบอกลูกศิษย์นะอย่าไปเชื่อผมไม่มีความเที่ศียามผมมีความเที่ศียาม และสิ่งที่ท่านอยากจะเป็นก็คือเป็นอธิการบดีหมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติมาสิองปีแล้วนะพี่จิงเนี่ยถ้าท่านมุง่งถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยตำแหน่งต่อไปขงท่านน่าจะเป็นรัฐมนตรีแต่ท่านเลือกที่จะมาเป็นอธิการบดีหมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยที่ก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มาหลายปีที่เป็นเชน่นเพราะว่าท่านเห็นความสําคัญของการศึกษา และวามศึกษาเนี่ยไม่ได้เพืไปเพื่อการไต่เต้าสถานะทางสังคมแต่เพื่อการเข้าถึงความจริงให้ลึกซึ้งที่สุดซึ่งท่านเห็นว่านิสิตนักศึกษาและคนไทยควจะมีเมื่อ ม, มีความรักษาจากก็ย่อมเห็นตระหนักถึงความสำคัญของความสู่ตรงและสุดจริต มี้ต่คนรักสัจจะทานั้นที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริตไดนะ้เพราะว่าสัจจะและความซื่อสัตย์นั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวกันนำไปสู่การและกันความรักสักจจะของท่านทำให้ท่านพูดคำจริงไม่โกหกและไม่ตรัคคำเมื่อตอนที่ท่านเข้าร่วมกระบวนการเสรีไทย สมัยสงครามโลกที่สองท่านเคยตั้งสัจจะไว้ว่าท่านจะไม่รับตำแหน่งทางการเมงินจนกว่าจากเกษียรราชการทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเพื่อเป็นการย้ําว่าการแต่เสรีไทยของท่านเนี่ยไม่ได้เต็มไปเพื่อความมากักงใจใจสูงไม่ใช่เพราะมุ่งประโยชน์ส่วนตัวแต่มุ่ง ประโยชน์ของบ้านเมืองและเมื่อท่านรับพูดเช่นนั้นร่างบทจารไปเช่นนั้นเนี่ยแม้จะมีโอกาสหลายครั้งที่ท่านจะสามารถเป็นรัฐมนตรีได้อย่างเช่นในสมัยจอมพลสรษดิ์ธนรัตน์เป็ น, นรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยท้าทางอาจารย์ป่วยให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอนนั้ น, น, น, น, น, นท่านหนุ่มมากนะสี่สิบสีไม่ถึง50ส ท่ก็ปฏิเสธจอร์มุนสิลิกก็ยังยืนยันสุดท้ายทก็บอกว่าท่านนายกธมนตรีผมไม่ต้องการรัฐมนตรีที่ละเมิดคำสาบานหรือว่าผิดวาจานะพอพูดเช่นนี้ให้ผลช่นนี้เนี่ยจอร์มสริกก็ยอมเลิกเลิกตือท่านนะ อันนี้เป็นตัวอย่างนั่นที่แสดงเห็นความรักศัจจ์ของท่านนะเมื่อลั่นวาจาไปแล้วก็จะไม่กลับคําแม้ว่าจะมีโอกาสเกียงใดก็ตามความรักศัจจ์ทําให้อาจารย์ปวเนี่ยเมื่อรับปากใครรับปากว่าจะทําอะไรก็ต้องก็ต้องทําให้สําเร็จเพื่อต้องทําให้ได้นะซึ่งก็นำไปสู่ความภพาพเพียงเพียงอย่างความวิพียรยั่งยาน และสัจจ์เนี่ยนะกับวิริยะเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันสัจจ์บารมีกับวิริยะบารมีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กันเรียนได้ว่าความรักสัจจ์เนี่ย น, นำไปสู่การส่งเสริมหรือสร้างเสริมคุณธรรมก่อนจร์ป่วยลาประการนอกจากที่พูดไปแล้วเนี่ยยังรวมถึงการที่ท่านเนี่ยเป็นคนมีความใจกว้างคนรักสัจจ์ที่แท้จริงเนี่ยจะต้องใจกว่า เพราะเมื่อต้องการแสวงหาความจริงก็พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่างเพราะความเห็นที่แตกต่างแล้วเนี่ยสามารถทาให้เห็นความจริงได้อย่างรอบด้านมากขึ้นก็ได้เพราะตั้งใจเลยว่าใครที่ใครที่ได้รู้จักากาจารปวยก็จะเพราะว่าท่านเป็นคนที่มี ค, มความใจกว้างมากเพราะท่านเป็นผู้ที่ต้องการที่จะเข้าถึงความจริงให้ได้มากที่สุดลดทุกแง่ทุกมนม ตรงนี้เนี่ยในคําพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือเป็นคุณธรรมประการหนึ่งนะที่เราที่เรียกว่าสัจจารุรักสัจจารูรักความหมายตรงตัวก็คือว่าการคุ้มครองสัจจะซึ่งก็หมายถึงความเป็นผู้รักสักจจะเมื่อรักสักจจะแล้วเนี่ยก็จะไม่ตัดสินฟันธงว่าความเหอื่นที่ต่างจากตนเนี่ยไม่ถูก ไม่จริงเพราะอาจจะจริงก็ได้ใครที่มีสัจจานุรักษ์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความใจกว้างจะไม่ยึดติดถือมั่นกับความเห็นหรือความคิดหรือแม้แต่ความรู้ของตัวว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะคนที่คิดต่างจากตัวต่างจากเราก็อาจจะถูกต้องก็ได้เพราะความจริงนั้นเนี่ยมีหลายแง่มุม คุณธรรข้อนี้นับวันจะหา ย, ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนเราโดยพจนี้ปัจจุบันเนี่ยพอมีความยึดมั่นเชื่อมั่นว่าความจริงของตัวเองถูกความรู้ของตัวเองจริงก็มักจะมองหรือตัดสินว่าคนที่คิดแต่กับตัวเห็นแจากตัวหรือมีข้อมูลแต่กับตัวนั้นผิดซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นผู้รักสักจจะรักความจริงทั้งในความหมายของอาจารย์ ป่วยและในความหมายของพุทธศาสนาเมื่อรักษณจจะมีความใจกว้างนะก็ย่อมน้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถทนคำวิพากษ์วิจารณ์ไดนะ้เพราะว่ามันกระทบกระแทกอัตตาเพราะว่ามันท้าทายความคิดความเชื่อของตัวสังคลอนความเห็นที่ตัวเองมีแต่ถ้ารักษณจจะแล้วเนี่ยนะก็จะไม่ได้ยึดมั่นในความของตัวอย่างถึงที่สุดเพราะ สิ่งที่สำคัญกับความเห็นก็คือความจริงและความจริงนั้บางครั้งก็มาในรูปที่ไม่อยากจะฟังอาทิเช่นการเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองบางครั้งคนเราจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองได้เนี่ยแม้จะใคลควอย่างไรก็มองไม่เห็นก็ต้องอาศัยผู้อื่นที่ก็มองในมุมมองในมุมที่แตกต่างจากเราเนี่ยเขาชี้เขาบอกและผู้ที่รักสัจจาน่ย นอกจากใจว่าในความหมายที่ว่ารับฟังความที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยยังพร้อมรับความวิพากษ์วิจารณ์และท้ารัศดาจริงเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาวิจารณ์ตัวเองตัวเองนั่นแหละเนี่ยที่จะหันมาใครครวญและพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอาจารยป่วยเป็นผู้หนึ่งที่กล้าที่จะวิพากษวิจารณ์ตนเองแม้ว่าท่านจะประสบความสําเร็จ นนในการวางรากฐานของเศรษฐกิจไทยสมัยใหม่ทําให้เศรษฐกิจการคลังการธนาคารของประเทศมีเสถียรภาพทําให้มีโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนไฟฟ้าที่ช่วยทําให้การเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเจริญถ้าเป็นคนสําคัญที่ช่วยวางนโยบายได้นับประมาณให้มีมาตรฐาน วางราบทานให้เศรษฐกิจไทยมีความจุิเติบโตความสำเร็จเหล่านี้เนี่ยเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปจนบางครั้งบางคนตั้งสมญานาให้ท่านว่าเป็นบิดานะของอเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยสมัยใหม่โดยบ้านในเรื่องการคลังการธนาคารแต่ท่านก็ไม่ได้หลงภาคภูมิใจนะในความสําเร็จของท่าน เมื่อท่านพิจารณาใครควรท่านก็พบว่าท่านมีความผิดพลาดและท่านก็พร้อมที่จะแสดงหรือบอกกล่าวความผิดพาลาดนั้นให้ปรากฏท่านเคยพูดว่าผมเสียดายที่รู้สึกว่าได้บกพร่องไปในการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศคือดูแต่ความเจริญเติบโตของส่วนรวมเป็นอย่างไม่ได้เฉลยถึงความยุติธรรมในสังคมข้อนี้จึงพยายามแก้ด้วยวิธีพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง คือที่เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นก็คือช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนคนจนเนี่ยนะก็ยากที่จะลืมตาอ้าปากได้การที่มีช่องว่างทางเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะมันสะท้อนเห็นความผิดพลาดความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย น, นี้ท่านจึงในช่วงท้ายของชีวิตท่านตึงหันมามีความสำคัญกับเรื่อง การพัฒนาชนบททำให้ชนบทมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่น่าเสียดายที่การที่ท่านพยายามที่จะทำให้เกิดความวยุติธรรมในสังคมกลับถูกมองนะโดยชนชั้นนำในเวลานั้นซึ่งที่จริงก็รู้จักท่านดีนะมองว่าท่านเนี่ยมีความคิดฝักใฝ่ในสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นะซึ่ง นันก็เป็นเหตุที่ทำให้ท่านถูกปองร้ายถูกหมยถูกกันแกล้งจากชนท่านนำจนกรทั่งไม่สามารถที่จะอยู่ในเมืองไทยได้ความรักสัตด์จากของอาจารย์ถวยทำให้ท่านเนี่ยยอมรับกรรมพืชของตนไม่ปฏิเสธว่าท่านเป็นลูกจีนในสมัยของท่านเนี่ย สมัยท่านเป็นเด็กการเป็นลูกจีนเป็นเรื่องทีน่ารังเกียจคำว่าเจ๊กเป็นคำด่าแม้กระทั่งสัตตมานี่จะโกรธมากถ้าไทยมาหาว่าเป็นคนเจ๊กเพราะว่าเราสึกว่าเราเป็นคนไทยแต่จันป่วยเนี่ยแม้ชื่อท่านจะดูเหมือนเป็นจีนนะที่จริงป่วยที่เป็นภาษาไทยก็ได้นะลุงพากรนเนี่ยมันก็ใส่ความเป็นลูกจีนนะท่านไม่เคยปฏิเสธไม่เคยทียบะเปลี่ยนนสุลทั้งที่จอมพลปอเนี่ยเคย เคยท่านว่าควาจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนักสกุนได้แล้วนะเพราะจอมพลมีนโยบายต่อต้านจีนและลูกจีนนะแต่ท่านไม่เปลี่ยนท่านไม่ปฏิเสธกรรพืชของตนท่านบอกว่าพ่อเนี่ยตั้งชื่อนี้มาจะจะเปลี่ยนก็ให้พ่อเปลี่ยนแต่พ่อตายไปแล้วนะก็ะต้องเพรานะนั้นก็ต้องคงชื่อนี้เอาไว้แล้วก็ไม่สนใจว่าชื่อนี้ทําให้ท่านจเจริญก้าวหน้าในทางราชการหรือไม่ แตล้ก็ตามความสามารถของท่านเนี่ยเด่นชัดนะสติปัญญายท่านเนี่ยเฉิดฉายจนกระทั่งชื่อหรือว่านาับสกุลที่ส่อว่าไป็ลูกจีนเนี่ยไม่สามารถเป็นอุปสรรคได้ท่านยอมรับกรรมพื้นของตนไม่ปฏิเสธว่าตนเองเป็นลูกจีนแต่ก็ภูมิใจในความเป็นไทยเราก็รักถึงไทยความรักสัจจาของท่านความรักความจริงของท่านทําให้ท่านเนี่ยใฝ่ทำรักความดี สัจจธรที่เป็นคุณธรรมข้อนึงนะความรักสัจจะเมื่อเรามีความรักสักจจะ ร, ร, รักความจรงิงเราเนี่ยจิตใจก็ย่อมเป็นกุศลใจที่เป็นกุศลเนี่ยย่อม ง, ง่ายที่จะฝ่ในธรรมง่ายที่จะรักความดีรักคุณธรรมข้ออื่นและจรงิงๆถ้าเราฝ่ายหาความจรงิงเราก็จะพบว่าความดีทั้งทําให้เกิดสุขนี่คือสัจธรรม ศัจธรรมดีต้องศัจธรรมฝ่ายลบและสัจธรรมฝ่ายบวกที่จริงแล้วเนะี่ยคำสอนพุทจาที่ว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วนี่ก็เป็นศัจธรรมอย่างหนึ่งและถ้าเราเนี่ยฝ่ายศัจธรรมรักความจริงเมื่อพิจารณาเมื่อศึกษาค้นควา้าก็จะเห็นว่าหากปราถนาความสุขก็ต้องทำความดี ทรัพย์สนิมคานนะไม่ใช่เป็นที่ม า, า, มาแามห่งความสุขอย่างแท้จริงยศทรัพย์อำนาจนะไม่สามารถจะเป็นหลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริงคุณธรรมต่างหากนะที่จะนํามาสร่งความสุขอย่างแท้จริงเมื่อรักความดีก็จะเห็นว่าการไม่เบียดเบียนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะก่อนให้เกิดปยชนสุขแก่ทุกฝ่ายเพื่อเพราะรักความดีท่านจทงเห็นว่า ความยุติธรรมเนี่ยควรจะมีในสังคมเพราะความยุติธรรมเนี่ยทําให้สังคมมีความสงบราบรื่นและเมื่อรับความดีนะก็ยอ่อมเป็นผู้พร้อมจะเสียสละอาจารควรเป็นแบบอย่างผมเป็นคนที่พร้อมจะเสียสละตอนที่ท่านเป็นเสรีไทยเนี่ยท่านโดดร่มมาที่เมืองไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและเป็นศัตรูปเป็นป ร, ป, ร, ป, ร, ป, ร, ป, รปักษ์นะครับอังกฤษอาจารย์ป่ปวยเสี่ยงชีวิตโดดร่มมาเมืองไทยโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านเนี่ยติดตัวยาทิวัสายานายเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดถูกจับยังไง ท่านก็พร้อมเที่ยวก่ากวรตายแต่ว่าท่านก็โชคดีนะที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องสละชีพนะจากการเป็นเสรีไทยก็ตอนหลังเนี่ยผู้ใหญ่ในรัฐบาลโดยเฉพาะอธิบดีกรมตารวจเนี่ยก็มาเห็นด้วยกับกระบวนการเสรีไทยและทำให้เสรีไทยในไทยกับเสรีไทยในต่างประเทศเนี่ย ร่วมอือกันแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้ไทยเนี่ยพลิกสถานะจากการเป็นประเทศแพ้สงครามการเป็นประเทศชนะสงครามอาจารย์ป่วยพร้อมที่จะลาออกเพื่อดยยูจัดในความถูกต้องสมัยที่ทําเป็นข้าราชการธรรมดาสามัญนะอายุไม่ถึง40 40บนิดหน่อยในสมัยจอมพลปทุกู้สงคราม ท่านได้ละมอบหมายให้เป็นกรรมการเลือกบริษัทที่จะผลิตธนบัตรและท่านก็จะใช้ความรู้ความสามารถความเที่ยมตรงนะในการตัดสินว่าบริษัทใดนะที่ควรจะเป็นบริษัทที่พิมพ์ธนบัตรแต่มีบริษัทหนึ่งนะที่ไม่มีมาตรฐานในการพริมพ์ก็พบายามวิ่งเต้นเท่า ก, กับ คนเ็กเผ่าสิยานมัวซึ่งเป็นคนที่มีมีอำนาจมากแล้วก็ผู้จัดการของโรงทินนี้บริษัทนี้ก็พยายามที่จะมาคมคู่อาจารย์ป่วยเ <c oughs> พื่อให้เสนอรายงานเนื้อาที่เป็นประโยชน์ต่อ บ, บริษัทนั้นนมาคมคู่มามมด่าว่ารธรรมดาถึงรัฐมนฑรีว่าการกระทวนการคลันอาจารย์ปวยไม่วไหวัดไหวทารายงาน เสนอว่าบริษัทที่มีคุณภาพคือบริษัทโทมัสเซราลูเนี่ยนะควรจะเป็นบริษัทที่ได้รับ ก, การอมอบหมายให้อยู่ธนบัตรแต่ท่านก็เขียนในค้ายรายงานว่าถ้าไม่เลือกถ้าไปเลือกบริษัทอื่นที่แสดงวาจาเก้ารั้วนะกับท่านรวมทั้งค่มู่คุกคามรัฐมนตรี กระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็จะลาออกตอนนั้นท่านเป็นเพียงแค่ข้าราชการกระทรวง ก, การคลังที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ท่านก็รู้ด้ว่าบริษัทนั้นเนี่ยนะมีแบ็คใหญ่มากก็คือคนเอ่เผาซียางคนแตทนเเ่ท่านพร้อมที่เสสละท่านพร้อมที่ลาออกเพราะเห็นว่าการยอมให้บริษัทที่ว่านั้นเนี่ย ได้รับอนุญาตพิมพ์ธนบัตรเนี่ยมันจะเสียหายต่อประเทศชาติสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการแบงค์ชาติเนี่ยจอมสัสเลตเคยที่จะตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ทำงานซ้ำซ้อนกับธนาคารชาติแล้วก็มีคพนไม่เชื่อยือในกรรมการท่านก็แสงความห็นแย้งก่อพรมอแล้วก็บอกว่าท่านอตอบจะลาออกถ้าหากว่าเลือกถ้าว่าะมีการ ดึงดันแต่งตั้งกรรมการที่ว่านะอันนี้เป็นตัวอย่างของอาจารย์ปวดที่ท่านพร้อมจะเสียสละนะตำแหน่งเพื่อยืนยันในความถูกต้องก่อนเป็นผู้รับความดีทำให้ทํานเป็นผู้ที่เสียสละ เ, เพื่อเกิ่เกือแผ่ต่อผู้อื่นนะข้อนี้เนี่ยข้าราชการทั้งที่แบงช์ชาและก็ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยรบรู้กันดี คุณธรรมอีกประการหนึ่งนะที่สื่เมื่อมาจากการรับความดีก็คือความเชื่อมั่นในอิงสาคือการไม่เอาเปลี่ยบเปดี๋ยนอาจารย์ป่วยเป็นผู้ที่ยืนยันในเรื่องของสันติวิธนะีและการไม่เปลี่ย น, ยนแม้เป็นอาหารเนี่ยท่านก็ไม่ที่จะฆ่าใครทนะ่านเลือกที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าที่จะไปกินใครถ้าตัวตัวยัรกิงท่านก็กินสาไนาะย ประเทศการที่จะเอาปืนไปยิงใครเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยไม่มีในความที่ของท่านเนะพราะฉะนั้นเนี่ยท่านยินยันเรื่อ ง, อ ง, งออวความสตย์สิทธิตลอดตลอดเวลาความรักความยุติธรรมนะเป็นเรื่องที่รู้กันดีครับว่าเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งนะที่ทำท่านทำให้พยายามให้นิรบายของประเทศเป็นไปนะเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมคนเรานันเนี่ยเมื่อรักความดีนะ ไม่เพียงแต่จะไม่ทาชั่วเทั้นั้นไม่เพียงแต่จะไม่กดโกทงทั้นั้นแต่ยังไม่ยอม น, นิ่งเฉยนิ่งดูดายหากเห็นความไมู่กต้องเกิดขึ้นหากเห็นความผู้เจริญเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม้จะกระทำโดยผู้มีอำนาจแม้รู้ว่าการโกงติ่งนั้นเนี่ยจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเพราะเกิดภัยกับผู้มีความอำนาจก็ตามที่เราเคย เสนอคลรให้มีการปรับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งกระทําการทุจริตนะผิดกฎของอแบงค์ชาติธนาคารพาณิชย์นั้นเนี่ยนะมีเส้นสายใหญ่ก็คือจอมพลสลิดและพลเอกเผ่าก่อนที่จะมีการเสนอคลรพลเอกสลิตขอพบท่านแล้วก็โน้มนาวว่าอย่า อย่าเสนอให้ปรับธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ท่านก็ปฏิเสธจอมพลสิทธก็ไม่ลดละเรียกมาพบอีกคราวนี้เชิญฟอนิคเถานะมาจเจรจายด้วยท่านก็ปฏิเสธที่จะทำตามานายคนสองท่านนั้นท่านเห็นว่าเมื่อธนาคารพาณิชย์เนี่ยทำผิด เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องเสนอไปตามเนื้อผ้าว่าต้องปรับส่วนรัฐมนตรีค อ, อรมอจะมีความเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของคอรมอนะแล้วท่านก็เสนออจริงๆว่าจะต้องปรับธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นคนอิตผลิคนลิตเผาโกรธมากแต่ทาอะไรไม่ได้เพราะค อ, อรมอเนี่ยลงมติว่าให้ปรับธนาคารพาณิชย์นั้นตอนนั้นท่านไปรองรูฐว่า และหลังจากนั้นท่านก็ถูกปลดนะนับเป็นรองผู้ว่าแบงค์ชาติที่อายุสั้นที่สุดคือเจ็ดเดือนแต่ท่านก็ไม่หวันหน่นไหวความเดีของน่านทาไมท่านได้เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติในที่สุดในสมัยจองพลถ น, นอมท่านเคยไปจับเข่าเพื่อตอมพลถ น, นอมเพ่จะส่งกลาบโหมแล้วก็บอกว่าญาติสนิทของท่านเนี่ยคนไหนบ้างที่ทุจริต ที่กฎหมายและขอร้องนะให้จอมพลถนอมเนี่ยได้ไปบอกยาต่อ น, นั้นแมาจะไม่ประสบความสำเร็จแต่นี่ก็แสดงถึงความกล้าของท่านนะที่จะกล้าทุ้มติ่มผู้เรียนหน้าและท่านก็นเคยทักทวงรัฐมนตรีและในรัฐมนตรีข้อหาที่เป็นประธานและกรรมการธนาคารพาณิชย์ทั้งทั้งที่ มีตำแหน่งทางราชการและท่านปู่เป็นกรนในงานแสดงสุดทรพธของสมาคมธนาคารแห่งชาติแล้วก็พูดว่าเนี่ยคณะรัฐมนตรีไม่ควรเป็นกรรมการหรือเป็นประธานกรรมการธนาคารพาณิชยนะ์ซึ่งก็เป็นบริษัทการคา้าอันนี้เป็นตัวอย่างการรับความดีของาจารย์ปยการรับความดีของท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ไ ม, ไม่คดโกงเท่านั้นแต่ต้องทุงติ่ง จะต้องไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งดูได้หากในความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแมจะเป็นความไม่ถูกต้องที่เกิดจากผู้ยามหน้าก็ตาเมเมื่อรักความจริงรักความดีแล้วเนี่ยก็ย่อมไปสู่นำไปสู่การรักความงามเพราะว่าเมื่อฝ่ายทำรักความดีแล้วเนี่ยใจย่อมเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยย่อมที่ย่อมที่จะเข้าถึงความงามที่เราเมียกัมายได้งา่ายจิตที่เป็นกุศลย่อมสามารถจะ เข้าถึงนะความละเอเียดละมัยของธรรมชาติและศิล ป, ปวัฒนธรรมอาจารย์ปุ๋ยเป็นผูท้ที่มีความละเอียดละมั ย, ม, ยมีรสนิยมในทารศริลปะนะท่านรักวรรณคดีท่านมีความสามารถในการแต่งกรอนนะท่านมีความสามารถในการเล่นดนตรีและท่านก็ ส, มสมนับนสะมุนศิลปะวัฒนธรรมซึ่งยากที่คน ที่มีสติปัญญาที่ใช้หัวเนี่ยจะเข้าใจเข้าถึงความลุ่มลนะึกในทางสุตตรีภาพแต่จักปวยเนี่ยเรียกว่าครบทั้งสาประการก็คือเทสเนีบภาษากรนกก็คือเได้แก่ความรู้สติปัญญานะแพนก็คือทักษะทักษะในการเป็นเทคโนแครตในการวางแผนเศรษฐกิจแล้วก็พาร์ก็คือใจ ไม่ใช่ใจที่ดีัแต่เป็นใจที่งามด้วยเรืะนะ่งพุทธศาสนาคําว่าดีและงามเนี่ยมันคู่กันคําว่ากัลยาเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยซึ่งก็มีเอผยถึงมากในพุทธศาสนาเนี่ยจะหมายถึงทั้งความดีและความงามกัลยาในุถุชนก็คือคนดีนะแต่ขณะเดกันก็หมายถึงคนที่มดงามด้วยคํากล่าวพุทธเจ้าพุทธวจารณ์ที่ว่าอาชิกัลยาลังนะ มาเจกะตลยานนางแล้วก็มาชิมตะลยานตะลยานนางเนี่ยอันนี้หมายถึงความไพเราะทั้งในเบื้องต้นข้างกลางและบั้นปลายความไพราะที่ว่าเนี่ยหมายถึงความดีที่เป็นประโยชน์เมื่อมีความงามความละเอียมัยในจิตใจก็ยังมทำให้มีความสุขหลอเลี้ยงใจและความสุขที่ว่าเนี่ย สามารถจะช่วยทําให้มีพลังในการต่อสู้เพื่อความจริงและความดีได้โดยไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งด้วยยวนหรือทรัพย์สิมขาดได้ไง่ายงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ปวยจึงเป็นผู้ที่มีชีวิตที่สันโดษนะมีบ้านหลังเล็กๆไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนะและท่านก็มีความสุขจอมสนิทเคยจะขอสร้างสร้างตึกไม่ทัน สมัท่านเป็นผู้ว่าแบงชาติแต่ท่านก็ปฏิเสธนะเพราะว่าท่านพอใจที่อยู่บ้านไม้เล็กๆนะที่สอยอารีท่านอยู่ได้อย่างไรนะคำตอบคือว่าท่านมีความสุขจากชีวิตที่สันโดษในเครื่องหล่อเลี้ยงและมีศิละปะวัฒนธรรมและธรรมชาติเนี่ยเป็นเครื่องอชุดชูดใจซึ่งทําให้ท่านสามารถที่จะดารงความซื่อสัสตย์จริง นะไม่ทุกวจลิตไม่คดกลงได้อาจารย์ป่วยเนี่ยพูดอยู่เสมอนะครับความจริงความดีความงามเป็นคุณค่าสำคัญของชีวิตและอารมณปฏิวัติของท่านมั่นคงก็เพราะความรักความจริงความดีและความงามเราจมาเห็นว่านี่คือ หัวใจสำคัญหรือว่าแก่นแท้ของความเป็นอาจารย์ป่วยนะซึ่งทำให้ท่านสามารถจะมีชีวิตที่สอดคล้งองกับอุดมคติได้เท่าที่มนุษย์ุระชนคนหนึ่งนจะทำได้และเป็นแบบอย่างกับพวกเราหากว่าเราปรารถนาชีวิตที่เจริญงอกงามและเป็นสุขคนทุกคนเนี่ยนยั้นย่อมปรารถนาความสุขในชีวิต แตจำนวนไม่น้อยเชื่อความสุขเกิดขึ้นได้จากการมียศทรัพย์อำนาจนะและเมื่อเอายศซั์อํานาจเป็นสารณะก็พร้อมที่จะคดโกงพร้พอมที่จะฝ่าฝืนสัจจ์นะพร้อมที่จะกลับคําพร้อมที่จะโกหกมัดเท็จและจิตใจเช่นั้นเนี่ยก็เป็นจิตใจที่ไม่สามารถจะเข้าถึงความความงามได้เลย น, นะแต่ถ้าว่าเราปราศนาความสุขที่แท้ที่ยัง่งยืน การรักความจริงการรักความดีจะเป็นประตูไปสู่ความสุขที่ทแท้แท้และความสุข น, นั้นเนี่ยที่หล่อเลี้ยงแต่ยก็ย่อมจะทําให้ความดีงามของชีวิตเนี่ยจเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นแม้ชีวิ บ, บ้านปลายวจังป่วยเนี่ยจะลำบากและตกต่ำนะท่านเป็นอมตะแต่ท่านไม่สามารถจะพูดได้แล้วก็ท่าน ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนจนทั้งปี2องพน้อยสาสิบแต่ก็ไม่สามัญจะอยู่ได้อย่างยาวนานก็ต้องกลับไปที่ประเทศเกิดซึ่งไม่ใช่บ้านเกิดเมือง น, นอนของท่านไม่ใช่เป็นประเทศที่ท่านพอัดสละชีวิตแต่ท่านก็ไม่มีความทุกข์ท่านก็มีความสุขได้ตามอัตลักเพราะท่านมีความพึงพอใจในชีวิตสันโดษ ท่ามีศิลปะเป็นเครื่องหล่อเยีนใจและมีความภาคภูมิใจในความดีนะที่ทําให้สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและเมื่อรักความจริงรักความดีรักความงามประโยชน์ไม่ยอ่อมย่มไม่มเคไหเกิดขึ้นกับตอนนี้เพียงนั้นนะแต่ทําให้เกิดประโยชน์สว่วนรวมได้ด้วยคุณอุปการของท่านเนี่ยไม่ได้มีแค่จําเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐเดตตมและผาสุทธ์เท่านั้น แต่ยังอยู่ที่แนวทางหรือหลักการของท่านในการสร้างสรรค์ประเทศชาติแม้ว่าในช่วงแม้ว่าท่านจะทุ่มเทชีวิตความเป็นข้าราชการเนี่ยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญ ม, มั่นคงและเข้มแข็งแต่ในตอน ท, ท้ายๆของชีวิตราชการท่านเนี่ยท่านเห็นว่าหลักการที่สําคัญที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติได้ ก็คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าประชาธรรมประชาธรรมหมายถึงธรรมะสาหรับชาติบ้านเมืองหรือสําหรับประชาชาติไทยก็ได้เวลาพูดถึงธรรมะเน่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนึกถึงข้อประพป ฏ, ปฏิบัติหรือคุณธรรมส่วนตัวแต่จัปหวยดเป็นผู้ที่มองคุณธรรมในความหมายที่กว้างท่านมองว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของประเทศชาติ ด, ด้วย ชีวิตจะมีความสุขต้องมีธรรมะและประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองและสมบูราเรา่องก็ต้องมีธรรมะการเห็นธรรมะในความในมิติที่กว้างเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าชาวพุทธเไ ม, ไมื่ดไรเนี่ยมองไม่เห็นธรรมะในความหมายที่กวา้างใ่เคยเขียนหรือแสดงความเห็นเรื่องธรรมะในทางเศรษฐกิจ และธรรมะในทางเศรษฐกิจนี้ไม่ได้หมายถึงว่าประกอบสัมมาอาชีวะไม่ทุจริตไม่เบียดเบียนไม่โกงเท่านั้นแต่ถ้ายังกินความรู้ไปถึงนโยบายเศรษฐกิจด้วยเช่นั่นทำโครงกานโยบายเศรษฐกิจที่มึ่งช่วยเหลือคนกลุ่มใดกลุ่มโดยเฉพาะถ้าทำให้คนกลุ่มใหญ่เกิดร้อนถือว่าถือหลักธรรมะในทางเศรษฐกิจธรรมะของท่านเนี่ยกินความไปถึง นโยบายในทางเศรษฐกิจนโยบายของประเทศชาติถ้าอย่างผู้ว่าการที่มีบุคคลกลุ่มน้อยร่ำรวยขึ้นอย่างมากถือว่าผิดหลักธรรมะในทางเศรษฐกิจเพราะนำไปสู่ช่องว่างระหว่างผู้คนในชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะนะในท่าทางดังกล่ยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวบุคคลเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของร ะ, ระดับประเทศ และเมื่อพูดถึงธรรมศาสตร์บ้านเมืองท่านเห็นว่าธรรมะที่สําคัญก็คือประชาธรรมประชาธรรมหมายได้แก่อะไรบ้างอาจารย์ปวยพูดถึงให้ความสําคัญกับหลักสองประการก็คือหลักเสรีภาพและสิทธิของประชาชนบ้านเมืองจะมีความสงบราบรือยได้เนี่ยประชาชนต้องมีเสรีภาพและสิทธิ ในขอบเขตที่ไม่ทําลายเสรีภาพและสิทธิของผู้อื่นและประการที่2คือการมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตากรรมของสั ง, สงคมที่ตนอาศัยนี่คือหลักประการ2ประการใหญ่เสรีภาพและสิทธิประการหนึ่งและการมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตากรรมของสังคมซึ่งสมัยเนิ่นเรีร ย, รยก ว, ว่าประชาธิปไตยแต่อาจารย์บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการที่ใช้นจนเสื่อแล้วจนทําไม่มีความหมาย นี่ท่านูดมา40ปีที่แล้วนะท่านเห็นว่าท่านจึงเสนอว่าประชาธรรมเพราะอย่างน้อยเนี่ยคําว่าธรรมะเนี่ยก็เป็นเครื่องที่ชี้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะต้องม่ทมิ้งธรรมะอาจารย์กลให้ความสำคัญกับเรื่องเสรีภาพมากท่านเห็นว่าเสรีภาพ เ, เป็นสิ่งสําคัญในการส่งเสริมสติปัญญาและอุดมกติท่านเคยกล่าวไว้นะใน ปัจจุบาที่ธรรมศาสตร์เมื่อปี17นะก็คือ4 2ปีที่แล้วที่ตึก a อทเป็นปัจจาบที่จัดเป็นครั้งแรกสำหรับเชิอชูเกตคนหนุ่มที่ชื่อโกนคิมทองที่คือปันปรันโกลคิมทองที่ท่านกล่าวไว้ตอนหนึง่งว่าเสรีภาพเป็นเนื้อดินอากาศและปุย๋ยที่จะทำให้พฤกษชาติแหงความคิดเจริญเติบใหญ่ขึ้นได้ และเมื่อความคิดนําไปสู่อุดมติอุดมติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลในสังคมสามารถใช้ความคิดอย่างเสรีปราศจากพันธนาการของจารีตประเพณีหรืออีกในหนึ่งเราต้องสั่งสนให้มนุษย์แต่ละคนใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพชนิดที่ไม่ต้องพึงหวัดวันว่าจะเป็นความคิดนอกพูดนอกทางนะอันนี้คือตอนนึงนะและท่านกล่าวต่อไปว่าเสรีภาพสร้างความเจริญใหแก่ความคิดของนักดิฉันได การใช้เสรีภาพในการคิดย่อมช่วยเกิอดอุดมคติในสมาชิแห่งสังคมสรนั้นและอุดมคติของสมาชิกต่างๆในสังคมซึ่งจะมีความแ ต, ตกต่างกันไปหลายๆกระแสนั้นย่อมจะทําให้สังคมมันเติมมั่งคัง่งดีกว่าอุรมการอนันเดิมเกิดการของสังคมอาจารป่วยท่านยอมรับนว่าเมื่อมีเสรีภาพแล้วมันย่อมมีความแตกต่างทางความคิด และความแตกต่างทางความคิดนันเนี่ยแตกต่างไม่กระทั่งความแตกต่างในเชิงอุู้ต้องปฏิบติ ด, ด้วยอุดมการของคนในสังคมแตกต่างกันได้และความแตกต่างนั้นก็สามารถจะทําให้เกิดความเจริญนวมามซึ่งในความสัมพันดีกว่าการที่สังคมนั้นมีอุดมการณ์อันหนึ่งเดียวกันหรือมีอุดมการณ์อย่างเดียวอันนี้เป็น เป็นความใจกว้างของจันทุอย่ที่ท่านเห็นความสำคัญของสิลปภาพและยอมรับความแตกตา่างนอกจากศิลิภาพแล้วเนี่ยสิทธิ์ก็สำคัญและคนเราไม่ควรจะมีสิทธิ์เท่านั้นแต่ควรเคารพสิทธิของผู้ถือด้วยนั่นคือสิทธิในความเห็นตา่างสิทธิที่คนอนื่นก็จะเห็นต่างจากเราแม้บางครั้งความเห็นนั้น อาจจะไม่ถูกใจเรานะอาจารย์ปวยเห็นว่าเขาต้องมีสิทธิเช่นนั้นและเราก็ควรจะเคารพสิทธิของเขาด้วยเป็นที่น่าสนน่าน่าคิดนะว่า40ปีผ่านไปแล้วเนี่ยการเคารพสิทธิในความเปนะ็นต่างของสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีน้อยวันนี้เมื่อ เมื่อเห็นความสำคัญของเสรีภาพสิทธิแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีไม่เกิดขึ้นในสังคมก็ต้องต่อสู้และถ้าเห็นว่าวิธีที่จะทำให้เกิดสิทธิเสรีภาพแท้จริงก็คือสังติตวิธีอาจารย์ปวยย้ำ ม, มากนะว่าในการเทปรู้สิ่งดีงานเนี่ยเราต้องใช้วิธีการที่สันติ เป้าหมายที่ดีงามจำ บ, บรรลุได้ต้องใช้วิธีการที่ดีงามนั่นคือสันติวิธีถ้าใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความเดียดเดียงกันได้แม้สิ่งที่เราเชื่อแม้จุดมุ่งหมายจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าใช้ความรุนแรงเสื่แล้วเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนะั้นสิ่งที่ตามมาก็อาจจะเป็นความเวลวร้ายก็ได้ทุกวันนี้เนี่ยและที่จริง เป็มาโดยตลอดในประวัติศาสคือว่าความเมลลายหลายอย่างทําในนามของความดีทดําในนามของปุตตะสงส่งสทําในนามของพระเจ้าสางคบการฆ่าผู้ฝันคนทั้งหลายในรอบหลายพันปีที่ผ่านมาหลายครั้งเพื่อจากการทําเพื่อพระเจ้า <c oughs> เพื่อจะ ก, การทำเพื่อปกป้องความดี แม้กระทลุ่มก่อการร้ายนะที่ก่อปัญหากับโลกทั้งโลกทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ทําในนามความดี <c oughs> แต่ว่าไปแล้วเนี่ยเหตุการณกรุตุลาที่มีการสังหารหดนักศึกษาประชาชนเนี่ยก็ทําในนางการปกป้องอุดมการที่เราถือว่าดีคือชาติสากลศักริ์แต่ความมุั่นในอุดมการเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้เท่าทัน มันก็สามารถจะผลักให้เราทําสิ่งชั่วร้ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปแทบทุกหนแห่งความชั่วร้ายที่ทำในนามรองความดีการที่ผู้คนไปลุ้มประชาพันธุ์พู้ต้องหาข่ามบงคืนเมื่อไปทําแผนประทุไปทาแผนประกอบการลับสารภาพเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะของการตัวอย่างของความชั่วร้ายที่ทํำในนามความดี ดังการยึดมั่นถือมั่นในความดีต้องเป็นต้องต้อ ง, ต, องต้องระวังเพราะว่าถ้าเรายึดมั่นมากนะมันก็สามารถจะผลักให้เราทําในสิ่งที่เลวร้ายไ ด, ได้แต่มคนเรานั้วเนี่ยยากที่จะรู้ท่าทางความยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งหนึ่งทีเป็นหลักประกันว่าความยึดความดีของเราจะไม่ทำลายผู้อื่นก็คือการใช้สันติวิธียึดมั่นความดีของเรายึดมั่นรวมการขอเราเพือะไรก็ตาม ก็ขอใช้สันติวิธีเพราะหากว่าอุดมการของเราติดพลาอยางนอา้อดความเสียหายก็ไม่ได้มากจนถึงขั้นทำให้ผู้คนเสียชีวิตหลายคนที่ยอมตายและยอมเข้าถึงตายในนามของอุดมการศาสนาก็ดีคอมมิวนิสต์ก็ดีชาตินิยมก็ดีหลายคนเนี่ยเมื่อฝันสลายเมื่อตาสว่าง แล้วพบ ว, ว่าและล่าที่ถูกลงการที่เคยขับเคลื่อนหรือว่าฝังหัวตัวเองแล้วมาพบ ว, ว่าตัวเองถูกฆ่าไปแล้วไม่ได้ติดเพรไม่ได้ติดเพียงเพราะว่านักถือลงการ์ที่ผิดเท่านั้นแต่ติดครงทีว่าไปฆ่าคนตายในานาดอุดงการนั้น แล้ววันดีคืนดีก็ที่มตรมการนั้นไปก็กลายถึงว่าไปฆ่าคนอื่นโดยที่ตัวเองที่สุดก็ไม่เห็นด้ว ย, ยวทังนั้นเจตมิตรเป็นหลักประกันว่าความที่มากหนึง่งหรือการปกป้องความดีของเราจะไม่ก่อความเสียหยแก่ผู้อื่นทั้หมดที่กล่าวมาเนี่ยนัก็คือทำทำมากกว่าจะปวยนะที่เราควรใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการรักความจริงรักความดีรักความงามหรือว่าหลักธรรมสำหรับบ้านก็คือประชาธรรมในพระธรมานี้ยังเป็นสิ่งที่ทรงพลังนะสำหรับเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่ากมีมตัวตคติในการทำให้เรามีความเป็นมนุษย์ที่แท้และเป็นหลักการสำคัญสำหรับบ้านเมืองเวลานี้ด้วย โดยพาะทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีประชาธรรมเสรีภาพและเสรีของประชาชนยังถูกจากัดหรือถูกละเมิดผู้คนยังมีส่วนร่วมในบ้านเมืองน้อยนะหลายคนรู้สึกว่ามันว่าเป็นผู้ที่อาศัยนะในบ้านเมืองนี้มากกว่าที่เปเจ้าของประเทศเพราะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมเดือนนี้เนี่ยเมื่อ444ปีแล้วอาจารย์ป่วยได้ทำสิ่งขึง้นหลายคนไม่คาดคิดว่าท่านจะทํา ก็คือท่านเขียนจดหมายถึงจอมพลถนอมกิติกรจรจดหมายนี่มีชื่อมากนะชื่อว่าจดหมายนายเข้มเย็นยิ้งถึงผู้ใหญ่ทำลูกเกีตกล้องแห่งหมู่บ้านไคเจริญท่านเขียนถึงจอมพลถนอมาะไม่เห็นด้วยกับการที่จอมพลถนอมรัฐประหารเมื่อปี14นะและท่านก็ขอร้องให้จอมพลถนอมเนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านทำลูกเกียกลองเนี่ย พื้นโกติกาบ้านเมืองขึ้นมาเพื่อทําให้เศรษฐีเสรีภาพและการมีสโลบาชาชนได้กลับคืนมาอีกครั้งอ่ะไม่น่าเชื่อว่า 40, 40ปีผ่านไปนะก็เหมือกว่าเรายังกลับมาสู่ที่เดิมนะก็คือมีประชาชนทำเสรีภาพและเศรษฐีประชาชนยังถูกํากัดและการมีสโลในบ้านเมืองก็ยังต่อพ่วงกระแพร่งเพ้สิ่งที่อาจารยกลุวยได้พูดได้ทำเนี่ย จนถึงทุกวันนี้แม้ผ่านไปเกือบสองช่วงอายุคนหลังจากจดหมายของนายเชมเบดดิ้งแล้วเนี่ยก็ยังมีความหมายสําหรับสังคมปัจจุบันเราจะหวังสังคมที่ดีงามได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีธรรมต้องอาศัยธรรมะอาจารย์ปวร น, นั้อยู่เสมอว่าธรรมะคืออํานาจไม่ใช่อนานาจคือธรรมสรังคมที่ดีงามไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยอําอนาจอานาจปืนอำนาจ ราถังนะสิ่ที่ดีงามเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมาใส่ธรรมะไปอำ้า้และธรรมะที่ว่าเนี่ยาจารป่วยได้เป็นแบบยาคือการรักความจริงรักความดีรักความงามและการเชิยชูประชาธรรมเมื่อปีหนึ่งสอั 15, เนี่ยอาจารย์ป่วยได้เขียนสารเพื่อมาในโอกาสที่คณะเศรษฐศาสตร์เปิดตึกใหม่ ท่านได้เกียนจากประเทศอังกฤษนะหลังจากที่ได้ทำกฎหมายถึงผู้อยู่บ้านทำรูปเก็กล้อ ง, องในานามขอ ง, ของนายเชมเยนยิ่งและท่านก็ป่วยรนให้นิสิตนักศึก ษ, ษาอนนาจารย์าจารย์ข้ารษษาชการพนักงานของคณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มีความสุ ข, วขความเจริญปลอดพ้นจากแรตลาและความดายทั้งปูนและท่านก็ตกท้ายนเะคื่อนประโยชน์นี้ ขอให้ตมรงค์ไว้ซึ่เสรีภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์อันเป็นสิทธิของผู้รับธรรมทั้งหลายอาตมาช่วท่านอาจารย์ปวดยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ท่านก็อยากจะบอกผู้เราอย่างนั้นเลยเพราะพวกเราในที่นี้พวกเราที่เป็นไม่ใช่เฉพาะนักศึกษารูโรดถึงขนะาจารย์ข้าราชการธรรมศาสตร์ว่าขอตมรงไว้เสรีภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์อันเป็นสิทธิของผู้รับธรรมทั้งหลายอาตมาขอยุติการประกาเพีงเนี้ Thank you.